ที่วัดป่าหวัวตลกวนารามวันที่สิบห้ากันยายนสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าเรื่องหลงคิดหรือรู้คิดโดยหลวงตาณรงศักดิ์ขีณาละโยจะทวนเมื่อวานนี้นิดหนึ่งที่มีคนถามว่ามันมันเป็นหลงคิดรู้รู้ว่ามันมันเป็นหลงคิด พอไปหลงคิดพอไปรู้ความคิดแล้วสมัยความคิดมันดับย่งเ <N> งี้ยแล้วมันต่างไงกับรู้คิด <N> เออถ้าเราเนี่ยหลงคิดเราสังเกตได้ถ้าเราหลงคิดเราหลงไปคิดแม้แต่เรารู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกหายใจเข้าพูดโธพูดโทพุดโธเนี่ยถ้าเรายังแม้แต่เราหายใจเข้าหายใจออกแต่เราหลงคิดไปเนี่ย พอเรารู้สึกตัวขึ้นมาความหลงคิดมันจะดับลงเปรียบคล้ายๆกับความคิดอมันดับลงพอเรารู้สึกตัวมาความคิดจะดับลงกรณีเช่นนี้เราหลงคิดแต่ถ้ากรณีที่เราเนี่ยไม่ได้หลงคิดมีความรู้สึกตัวอยู่กับคำบริการพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธหรือรู้ลงไม่ใจเข้าวรูล้ลงไม่ใจออกเนี่ยตัวเราผู้บริการพุทโธเนี่ยตัวเราจะเป็นคนคิด จุกจิกจุกจิกจุกจิกนั่นคิดนี่จุกจิกจุกจิกจุกจิกเดมีความรู้สึกอย่างนั้นมีความรู้สึกอย่างนี้มีความคิดอย่างงั้นตึกต้องเหมือนกับพูดอยู่ในใจคนเดียวไม่ได้คิดเป็นเรื่องเป็นราวจุกจิกจุกจิกจุกจิกอันนี้เป็นขันห้าเราดับเข้าไม่ได้ต่อให้เรารู้ตัวอย่างไงก็คือมันเป็นตัวเราเราไปดับได้อย่างไงต่อให้เรารู้ตัวอย่างไงตัวเราก็ยังพูดตัวเราก็ยังบ่นเรารู้ตัวอย่างไงตัวเรากําลังพูดอยู่ในใจอยู่คนเดียวบ่นอยู่คนเดียวเราไม่อาจจะดับได้อันนี้เพราะว่าเรา เป็นมันเป็นตัวเราเราจะดับไม่ได้จนกว่าเราจะตายตัวนี้ถึงจะดับเพราะมันเป็นขันห้าไอตัวผู้พุโธพุโธพุโธนี่เหี่ยไอตัวเนี้มันสารภาพจะพูดพูดจะคิดจะบ่นอยู่ในใจขวัยคนเดียวแล้วมันก็มีอาการจุบจิบจิบสบายใจมั่งมัาสบายใจมั่งไอตัวเนี้มันเป็นขันห้าเราดับมันไม่ได้เราอยพยายามเลือกเอาอาการที่ดีและรังเกียจอาการที่ไม่ดีเพราะมันเป็นขันห้ามันเป็นมันเป็นชีวิตจิตใจที่สลับกันไปสลับกันมา ถ้าเราเลือกยังไงมันก็วุ่นอยู่ในตัวของเรานี่ยแหละมันไม่ไปไหนแล้วเพราะตัวเราเมื่อก็นี่ก็สุขบ้างทุกบ้างสุขบ้างทุกบ้างสุขบ้างทุกบ้างเพราะอันนี้มันเป็นขันห้ามก็สลับกันไปสลับกันมาเดี๋ยวมันเปรียบเหมือนมือซ้ายกับมือขวาเราอาการที่สุขบ้างทุกบ้างสบายใจมั่งไม่สบายใจมั่งผ่องใสบ้างไม่ผ่องใสเนี่ยมันเหมือนกับมือข้างซ้ายกับมือข้างขวาเราที่เราสลับกันใช้เราจะตัดมันออกมือใดมือหนึ่งเหลือแต่ให้มือ ข้างหนึ่งที่มีแต่ความสุขข้างเดียวเช่นมือที่เราถนัดเช่นมือขวาเราถนัดเราก็อยากจะตัดมือซ้ายออกให้เหลือมือข้างเดียวเราก็ไม่ตัดออกเพราะว่าเรามีมือสองข้างความรู้สึกเนี่ยเหมือนการความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ความรู้สึกเป็นสบายใจไม่สบายใจความรู้สึกผ่องใสความรู้สึกเศร้าหมองเนี่ยมันเป็นเวทนามันเป็นเหมือนมือของเราสองข้างแขนเราสองข้างมันก็สลับกันไปสลับกันมาเหมือนกับสลับกันใช้ เราจะไปตัดมันออกข้างใดข้างหนึ่งให้เหลือแต่อาการที่เป็นความสุขอย่างเดียวทําไม่ได้เราทําไม่ได้เพราะมันเหมือนเปรียบเหมือนมือสองข้างของเราตาสองข้างหูสองข้างมันก็สลับกันใช้ไปอืมเพราะนั้นเราจะไปผักสายมานให้มาเห็นจิตที่มันคิดมันหลงคิดหรือเปล่าถ้ามันหลงคิดเรารู้สึกตัวมาความหลงคิดนั่นจะหายไปแต่ถ้าเราไม่หลงคิดเราต่อให้บริกรรมอย่างไงในตัวเราภายในใจมันจะพูดอยู่มันเนี่ย จุกจิกกจอาการคันกระเยอเหมือนกับคันกระเยอ่อยู่ในใจเนี่ยจุกจิกจุกจิกอันนี้เราดับมันไม่ได้แต่แต่รู้ได้แต่รู้ได้แต่ปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางไปตอนนี้ถ้ามันคอยเผลอขาดสติเผลอไปหลงคิดอยู่เรื่อยๆขาดสติไปหลงคิดอยู่เรื่อยๆหลงคิดเดี๋ยวก็หลุดอีกแล้วเดี๋ยวก็หลงคิดพรมารุลมั่นใจข้าพุทโธออาไปอีกแล้วรู้สึกตัวความคิดหายไปเอาเดี๋ยวก็หลงไปอีกแล้วอย่างนี้ให้บริกรรมเร็วๆขึ้นวิธีแก่คือ มันก็ไม่ไปไหนแล้วตอนนี้โอ้เราบริกรรมเลวซะขนาดนี้มันก็ไม่หนีเราไปเทียวไหนแล้วแล้วก็ฝึกจนชำนาญจนกระทั่งมันเป็นผู้รู้ไม่เป็นผู้หลงแล้วฝึกก่อนนะ ถลงกับบริกรรมมาเร็วๆขึ้นให้สังเกตให้ดีๆไม่ว่าเราจะมีสติแก่ข้าขนาดไหนก็ตามเราจะเห็นตัวเราเนี่ยคิดนึกตึกตองพูดบ่นอยู่ในใจแม้แต่เราไม่หลงคิดแล้ววิสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลากับคำบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไม่ว่าจะพุทโธเร็วขนาดไหนโตโตเราเนี่ยผููพุทโธนี่แน่ อันจะคิดตึกตองคิดตึกต้องคิดตึกตองคิดตึกต้องคิดตึกต้องมีอาการอย่างงั้นมีอาการอย่าง น, น, าาางนี้ให้เราบริกรรมพุทโธเร็วๆแล้วเราสังเกตเห็นตัวเราให้สังเกตเห็นตัวเราไม่ว่าเราเนี่ยมีสติแก่กล้าขนาดไหนไม่เคยหลงคิดเลยมีความรู้สึกตัวอยู่ตลอดไม่ว่าจะบริกรรมเร็วขนาดไหนให้สังเกตให้แม่นแม่น สังเกตให้เห็นตัวเราผู้บริการพุทโธแม้ แ, แต่บริการพุทโธเร็วขนาดไหนแต่ตัวเราไม่เคยหยุดที่จะคิดบ่นพ <ucking> ูดบ่นคิดบ่นพูดบ่นคิดบ่นพูดบ่นคิดตึกต้องอยู่ในใจมีกิริยาการที่สบายใจไม่สบายใจอันนี้เราดับไม่ได้ต้องการให้เห็นตรงนี้คือรู้จักตัวเราเห็นตัวเรารู้จักตัวเราเห็นตัวเรางนั้นเวลาเราบริการพุทโธให้เร็วไว้แล้วเราสติไม่ขาดไปเหม่อเพลินคิดปรุงแต่งอะไรแล้ว ให้สังเกตให้ดีๆไม่ว่าจะบริกรรมพุโทโธเร็วขนาดไหนตัวเราผู้บริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธเร็วๆนั่นแหละมันจะเป็นคนที่คิดติกตองคิดติกตองคิดตึกตองคิดติกตองเนี่ยคิดบนพุทบนคิดบนพุทบนคิดบนกุ๊กกิกกุ๊กกิกกุก๊กกิก๊กมีอาการสบายใจไม่สบายใจอยู่ในใจตลอดเวลามีความกังวลเรื่องนั้นกังวลเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยให้เห็นตัวเราอยู่อย่างนี้เนี่ย รู no ้จักตัวเราอยู่เนี้ต้องการให้รู้จักตัวเราในขณะที่เราสติไม่ขาดต้องการให้รู้จักตัวเราในขณะที่ตัวเราสติไม่ขาดต้องคอยเห็นสังเกตตัวเราไม่ได้เห็นแต่คําบริกรรมพุทโธนะไม่ได้ให้เห็นแต่คําบริกรรมพุทโธเราพูดตัวเร็วๆเพื่อให้สติไม่ขาดแล้วก็เพื่อจะสังเกตเห็นตัวเราผู้บริกรรมพุทโธแม้แต่เราบริกรรมคําบริกรรมพุทโธเร็วปานใดสติไม่เคยขาดเลย แต่จะเห็นเราเนี่ยพูดไม่หยุดคิดไม่หยุดปรุงแต่งไม่หยุดคิดนึกติดตองปรุงแต่งไม่หยุดมีอาการสบายใจไม่สบายใจอยู่ตลอดเวลาอันนี้มันดับไม่ได้บ่านเป็นขันห้าไม่ใช่เป็นตัวเราจริงๆเป็นตัวสมมุติเป็นขันห้าเวลาเราตายแล้วตัวนี้จริงจะแตกดับแต่ถ้าเราเห็นตัวเราแล้วไม่มีใครเขามายึดถือตัวเราไม่มีใครมาสเสวยตัวเรานั่นแหละจึงจะพ้นทุกข์ ต้องเห็นตัวเราซะก่อนรู้จักตัวเราซะก่อนแล้วจึงไม่เสวยตัวเราไม่ยึดถือตัวเราอีกทีหนึ่งจึงจะพ้นจับทุกไปได้จึงต้องการให้เห็นตัวเราไม่ใช่ว่าเห็นแต่คาบริกรรมพุทโธเห็นตัวเราผู้บริกรรมพุทโธพุทโธเร็วๆแล้วก็เห็นตัวเราสังเกตเห็นตัวเราผู้บริกรรมพุทโธคิดไม่หยุดพูดไม่หยุดบนไม่หยุด หุดหงิดลำคาลนู่นลำคาลนี่ลำคาลนู่นลำคาญเนี่ยให้เห็นตัวเราอย่างนี้อย่าไปเห็นแต่กบริการพุทโธบริการพุทโธพุทโธเพื่อเห็นตัวเราในะขี้หุดหงิ ด, งดขี้ลำคาญขี้บน่นจุกจิกยุกิกอันนี้เราดับไม่ได้ต้องการให้เห็นตัวเราแล้วเราก็ปล่อยวางตัวเราไม่เข้าไปเสวยไม่เข้าไปรองรับตัวเราไม่เข้าไปยึดถือตัวเราก็จะพลัจับทุกไป